มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาสัตตมวครอรหันตะสะโมหะปัญหาที่8ดถามว่าพระอรหันต์มีโมหะหรือไม่ถ้าไม่มีท่านต้องอาบัตบ้างหรือไม่ราชา สมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการถามอัตถปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคะเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาญาณอารหาสะโมโหวิวคตะโมโหพระอระหันต์เจ้าประกอบด้วยโมหะหรือมีโมหะปราดไปแล้วพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ธรรมดาว่าพระอรหันแล้วปราศจากโมหะขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าเมลินภูมินธราธิปดีจึงมีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานพระอรหันเจ้าท่านต้องอาบัตบ้างหรือไม่พระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารพระอรหันเจ้า ท่านยังต้องอาบัติอยู่สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระอรหันต้องอาบัตินั้นต้องในวัตถุใดบ้างพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระอรหันตเจ้านั้นท่านต้องอาบัต ด้วยสร้างพระกุดีวัตถุหนึ่งด้วยสำคัญเวลาผิดเวลาวิการเข้าใจเสียว่าเป็นกาลวัตถุหนึ่งด้วยสำคัญเหตุผิดห้ามพัดแล้วเข้าใจว่ายังไม่ได้ห้ามวัตถุหนึ่งด้วยสำคัญสิ่งของผิดสิ่งของไม่เป็นเดนเข้าใจว่าเป็นเดนวัตถุหนึ่งขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสว่า พันเตาเนาคเสณะฆ่าแต่พระนาเกษตผู้ปริชาญาวัตถุที่พระผู้เป็นเจ้าว่านี้เมื่อว่าโดยอาการที่ต้องอาบัติก็คงเป็นอันว่าพระอรหันตเจ้านั้นต้องอาบัติด้วยอาการสองอย่างคือต้องด้วยไม่เอื้อเฟื้อย่างหนึ่งต้องด้วยไม่รู้อย่างหนึ่งโยไม่เห็นด้วยธรรมดาพระอรหันตนั้นท่านไม่เอื้อเฟื้อฝ่าฝืนคืนกระทาทีเดียวหรือพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเกษนจึงมีเถระวาจาว่านหิมหาราชาขอถวายพระพรพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายจะไม่มีความเอื้อเฟื้อฝาฝืนต้องอาบัตินั้นหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองค์การว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาถ้าการณนั้นพระอรหันต์เจ้าจะต้องอาบัติด้วยเหตุใดเล่าโยมนี้สงสัยนะ นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนายกเหตุขึ้นแสดงให้โยมเข้าใจในการบัดนี้พระนาค เ, เสนถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารลักษณะแห่งโทษมีสองประการเป็นปั น, นัติวัชชะประการหนึ่งโลกวัชชะประการหนึ่งอันว่าอากุศลกรรมบทสิประการนี้สมเด็จพระทศพลยาน โปรดประธานพระสัทธรรมเทศนาว่าเป็นโลกวัชชะเป็นโทษทั่วไปแก่สรรพสัตว์โลกทั้งปวงปัณนนติวัชชะนั้นสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าตรัสบัญญัติสิกขาบทแก่พระภิกษุฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวด้วยคฤหัสถ์คือวิการและโภชนะสิก ข, ขาบทพระภิกษุบริโภคล่วงเวลามีโทษส่วนคฤหัสถ์หามีโทษไม่ เว้นแต่ผู้ที่ได้มอบตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมาทานอุโบสถทศินประการหนึ่งอันว่าพูตะคามคือต้นไม้โดยที่สุดกำหนดต่ำลงมาจนติ น, นชาติต้นย่านั้นก็ดีท่านว่าเทวดาสิงหมดจึงบัญญัติศิกขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุตัดต้นไม้ถากหญ้าถ้าขาวารวร่าทมหาโทษไม่ได้ประการหนึ่ง การเล่นน้ำว่ายน้ำเล่นก็มีโทษแก่ภิกษุเท่านั้นส่วนคฤหัสถ์ว่ายเล่นได้ไม่มีโทษท่านไม่ได้ห้ามประการหนึ่งทั้งสามประการที่กล่าวมานี้จัดเป็นปนัณิตวั ช, ชะนี่แหละลักษณะโทษมีสองสถานดังนี้ดูราณะบพิษพระราชสมภารอันวโลกวัชชะโทษคืออากุศลกรร ม, มบทสิบ จะได้มีในสันดานแห่งพระอรหัน์หามิได้ท่านไม่ได้ประพฤติล่วงเลยส่วนปณิตวัชชะถ้าข้อใดท่านยังไม่รู้ท่านก็ประพฤติล่วงมหาราชะขอถวายพระพรพระอรหันต์จะรู้ทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพระสัพพันยูจเจ้านั้นหามิได้เช่นชื่อและโคตรตระกูลเป็นต้นของหญิงชายทั้งหลาย ที่บรรดามีในพื้นปัฐพีภูมิดนนี้ท่านก็รู้ไม่ได้ทั่วทุกคนทุกบ้านทุกช่องที่ท่านรู้แน่นอนโดยท่องแท้ทั่วทุกองก็แต่วิมุติเท่านั้นนอกจากนั้นสุดแต่วิสัยของท่านเป็นพระชาลาพินยาหรือเตวิชาหรืออุพัโตภาคาวิมุติเป็นต้นก็รู้เฉพาะแต่ในวิสัยของตนของตน จะรู้ยิ่งขึ้นกว่าวิสัยของตนไปเป็นอันหามิได้เลยไม่เหมือนสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าสมเด็จพระสัพพันยูเจ้านั้นสารพัด ท, ที่จะรู้ทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างพระอระหันต์ท่านรู้ไม่ถึงกระทําด้วยสำคัญผิดจากพุทธบัญญัติเหมือนบริโภคอาหารล่วงเวลาชนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราิบดีมีพระราชค์การตรัสว่าสาธุ พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้โยมสิ้นสงสัยโยมจะรับเอาถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในการบัดนี้อารหันตัสะโมหะปัญหาเป็นคำรบ8จบเพียงนี้มีเชิงอัดในระหว่างนี้ได้ตัดออกหนึ่งปัญหาชื่อธรรมะสังขีติปริยายปัญหาโดยมีความซ้ำกับโพธิสัตตะธรรมตาปัญหาที่สองในปัญจมวั ทั้งสํานวนแปลก็ไม่ต่างกันด้วยเข้าใจว่าเป็นด้วยหนังสือยุ่งมากแต่ชั้นตัวบาลีเพราะบาลีก็มีเหมือนกันต่างกันแต่ชื่อปัญหาจบเชิงอัด